1ิคันทัพภกายยสังยุตหนึ่งสุทิกสูตรว่าด้วยเทพผู้นับเนื่องในหมู่คันทับ พ, พระเทพล้วนล้วนส3มสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาธบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงเทพทั้งหลายผู้นับเนื่องในหมู่ คันทั พ, พเทพแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังเทพทั้งหลายผู้นับเนื่องในหมู่คันทัพพระเทพเป็นอย่างไรคือเทพทั้งหลายสถิตยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รากก็มีสถิตยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่แก่นก็มีสถิตอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กระพี้ก็มี สถิตอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่เปลือกก็มีสถิตอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่สะเก็ดก็มีสถิตอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ใบก็มีสถิตอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ดอกก็มีสถิตที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ผลก็มีสถิตอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รสก็มี สถิตยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิน่นที่กลิ่นก็มีภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เราเรียกว่าเทพทั้งหลายผู้นับเนื่องในหมู่คันทัพระเทพสุทธิกะสูรที่หนึ่งจบสองสุจริ ต, ตสูตรว่าด้วยสุจริต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 ฉชนไหนหนอหลังจากตายแล้วขอเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพทั้งหลายนับเนื่องในหมู่คันทัพพระเทพหลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพทั้งหลายผู้นับเนื่องในหมู่คันทัพพระเทพภิกษุนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้หลังจากตายแล้วเข้าถึงความเป็นอยู่ร่วมกับเทพทั้งหลาย ผู้นับเนื่องในหมู่คันท พ, พเทพสุจริตตาสูตรที่สองจบ 3. ามูมลคันทธาตาสูตรว่าด้วยผู้ให้ต้นไม้มีกลิ่นที่ราก440เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ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 บุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติสุดเจริตทางกายวาจาและใจเขาได้ฟังมาว่าเทพทั้งหลายผู้สถิตอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รากมีอายุยืนมีผิวพรรณงามมีความสุขมากจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าฉชนไหนหนอหลังจากตายแล้วขอเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพทั้งหลาย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 ผู้สถิตยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รากมูลคันทธาตาสูตรที่สามจบ4ถึงสสองสารคันธาทิตาตาสุตนวกะว่าด้วยพระสูตรเก้าสูตรมีสารคันทธตาตาสูตรเป็นต้น 4 4 1ถึง4 4 9เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุนั้นนั่งนัทที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ อ, อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้หลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพทั้งหลาย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 เทพทั้งหลายผู้สถิตยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ผลเทพทั้งหลายผู้สถิตยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รสจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพทั้งหลายผู้สถิตยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กลิ่นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติสุจริตทางกายวาจาและใจ เขาได้ฟังมาว่าเทพทั้งหลายผู้สถิตยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่แก่นมีอายุยืนมีผิวพรรณงามมีความสุขมากจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ชะไหนหนอหลังจากตายแล้วขอเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพทั้งหลายผู้สถิตยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่แก่น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 ให้ต้นไม้มีกลิ่นที่ใบให้ต้นไม้มีกลิ่นที่ดอกให้ต้นไม้มีกลิ่นที่ผลให้ต้นไม้มีกลิ่นที่รถให้ต้นไม้มีกลิ่นที่กลิ่นหลังจากตายแล้วเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพทั้งหลายผู้สถิตอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กลิ่นภิกษุนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้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 มูลคัน ท, ทานัาโนปการะสุตตะสกะว่าด้วยพระสูตรสิบสูตรมีมูลคันทธาโนปการะสูตรเป็นต้นส5 0ห้าสิบถึง459หเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุนั้นนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญอะไรหนอ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 ผู้สถิตยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รากมูลคันทธาโนปการสุดตัทะสกะที่13าถึง22จบ23ถึง112สารคันธาทิธาโนปการะสุตนาวุติกะ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 ภิกษุบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติสุดจริตทางกายวาจาและใจเขาได้ฟังมาว่าเทพทั้งหลายผู้สถิตอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กลิ่นมีอายุยืนมีผิวพรรณงามมีความสุขมากจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าฉะไหนหนอหลังจากตายแล้ว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 จบด้วยการรวบรวมเข้าเป็นหมวดเดียวกันอย่างนี้จึงมีพระสูตรร้อยสิบสองสูตรคันท พ, พกาะสังยุตจบรวมพระสูตรที่มีในสังยุตน์นี้คือ 1. สุทิกสูตร 2. สุจริตสูตร 3. มูลคันทัทาตาสูตรสี่ ถึงสสารคันธาทิฏฐาตาสุตตะนวกะ -13 ถึง22มูลคันธัทานูปาการะสุตตะทัศกะ -23 ถึง112สารคันธาทิฏฐานูปาการะสุตตะนวุติกะ